เอ่อตอนนี้ให้ชื่อว่าจุลัยกับประคาวัด ต่างคนต่างลืมตาขึ้น ตัวอะไรก็บ่รู้ว่า ตามที่หลวงปู่ท่านพูดนั่งคิด ว่าบรรดา ก็คิดนึกนึกถึงป้าน้อยอยากให้ป้าน้อย จำเสียงได้ว่าเป็นเสียงเค้าจุไลก็คิดในใจว่าหลานรักไป ก็เป็นว่าทุกคนก็ท่านนั่งรวมอยู่ได้ ป้าน้อยก็บอกป้าเพลียจะต้องนั่งพักสักหน่อยนึงจุลัยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นป้ากับหนูคุย คุณลายจึงป้าน้อยว่าป้าคุณป้าเมื่อ 6 ครบชุด 3,727 เล่ม แล้วก็เป็นเงินที่ 65,897 บาทและชุดเครื่อง 209 ชุดเป็น 28,231 บาทรวม ค่า 94,128 บาทอันนี้เป็นราย 2 ชุดหนังสือเรียน แต่ก็อาหารเช้าเย็นและยังสงเคราะห์อย่างอื่นอีกมาก 300 คนแล้วเลี้ยงอย่างแพงด้วยจุไรเย็นถาม นักศึกษาเรียน ตามโบติต้องเสียค่าอาหารเดือนละ 600 บาทค่าข้าวสาร 80 บาทแต่ท่านต้องซื้อข้าวสารต้องๆทั้งละ 134 บาทก็เป็นอันว่าหลวงปู่ต้องจ่าย 143 บาทต้องจ่ายแทนเด็กไปจริง ตอน 1 ครั้งละ 63 บาท 63 บาทเหมือนกันหมดแล้วสําหรับอาหารการบริโภคก็เช่น ความเป็นจริงเวลานี้ท่านก็แก่มากอายุมากแล้วแล้วก็ป่วยไข้ทางท้องอืดวันแต่ก็ทนทําทุกอย่างเพราะเพราะรักลูกรัก เงิน 3 เทอมที่นักเรียนฟรี ช่วยทําบ้างหาเงินมาทํามหาหารถวายพระบ้างถวายหลวงปู่บ้างป้ามีความห่วงท่านมากเพราะท่านอายุมากแล้วงานทั้งคนหนักจุลัยจึงถามว่า ป้าน้อยก็บอกว่าค่าก่อสร้างวัดนี้นะมีเท่า อาจน้อยก็ถามว่าหนูรู้มาจากไหนคุณเลยก็บอกว่าหนูรู้ล้าน <c oughs> ต่อมาช่างหนึ่งอีกการต่อมา 4,000 ล้านหนูก็ 1 เดือนทําไมถึง 3,000 ล้านก็น่าแปลกใจ ว่าจะอ่านให้ฟังจะค่อยฟังให้ดีนะให้ 2517 ปีนั้นเป็น 2532 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะค่าก่อสร้างค่ากิน ตั้งแต่ปีพอ 2517 ถึง 2523 จ่ายไปแล้วจริงๆ 353 ล้าน 35 327,469 บาท 36 สตางค์มันยังล้านแล้วท่าน ที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถวาย 197 ล้าน 834,993 บาท 75 สตางค์ฉะนั้น 197 ล้านเอา 353 ล้านเศษ ก็ 155 ล้าน 49,2475 บาท 61 สตางค์ที่จ่ายเกินไปนี้เงินที่ได้ คนที่ทําบุญไม่จํากัด 155,492,475 บาท 61 โอ้โห เงินเยอะได้เกินนะแต่การก่อๆได้ใช่ไหมป้าน้อยก็ตอบว่าใช่ต้น <c oughs> คือไล่มองไปมองมาก็บอก 100 เมตรแล้วเห็นว่าราคาอาจจะถึง 100 ล้านบาทป้าน้อยก็ยิ้มเพราะนั่นไม่เสมอกัน แต่ความ 10 ล้านเศษ 10 ล้านประมาณ 17 ล้านกว่าๆว่า 1,264,341 บาท แล้วก็ 4,477,785 บาทรวมราคา 5,740,2126 บาทแล้วก็การ รวมต้นค่าจ้างด้วยประมาณ 7 ล้านเศษคิดจะเหลือแล้วตามอัตรานี้ก็ ผู้ใดก็ถามว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงก็ดี 250 บาท แล้วก็จกราคาตาตารางเม็ดอ่ากระจกนี่กล่องละแลแล 250 บาทแล้วก็จกกล่องละแลแล 85 บาทตอนนี้ก็ คนหนึ่งจะ 1 ตารางเม็ดก็ได้ 3 4 คนตารางเม็ดก็ได้เดี๋ยวกระจกคนหนึ่งรับกระจก 1 กล่องก็ได้หลายๆคนรับกระจก 1 คือ 100 เมตรที่ป้าคุณป้าสาบไหมพระรูปตั้ง กับ 2529 หลวงปู่นี่ป่วยหนักมาก เพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงจะทํายัง กระทั่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์โฟเตรกูลอยู่คงที่อยู่ นี่ ก็เป็นน่ะว่าไม่ต้องผ่าท้องปีนั้นอุบู่ท่านบอกว่ามันอาจจะไม่ <c oughs> แต่ป้าน้อยก็บอกว่าหลานรักพวกเราไม่อยากให้คุณปู่ตาย ช่อง 7 เวลาประมาณ 19:00 ja. น. เสร็จๆนิดหน่อยก็มาที่วัดท่านทําบุญ คือเค้าไม่อยากไม่อยากให้ เอ่อจันทนาวีระผลทราบเข้าก็ๆหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านสร้างอะไรท่านบาทที่เป็น ก็รวมความว่ามีคนช่วยเข้ามาแล้ว 200,000 ก็ 4 เสาทำ 4 เสาทำหลังคาเฉลียงมีช่องฟ้า ตั้งใจสร้างพระ 8 ศอกท่านคิดว่าท่านอาจจะตายซะก่อน แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อไปที่ร้อยไร่โกครับท่านก็นั่งรถของท่านตามไปทันทีพอไปถึงแล้วท่านก็ถามว่าจะ แต่บอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ย 1 แตถามว่าอาคารจะมีมั้ยหลวงปู่ก็กราบเรียนท่านบอกว่ามีอาคารถ้าถ้าอาคาร ท่านบอกว่าอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมไม่สม เห็นไหมความธรรมที่ว่าหลวงปู่ ที่จะเพราะตรงโน้นหลังโรงบาล 27 ไร่เศษเค้ากําลังขาย ไอ้หลวงปู่ก็ๆเป็นในเพียงว่ามัดจํากัน จากเพราะก็บาก็ถามถึงราคาซื้อซื้อที่จากเพราะก็กราบเรียนกับหลวงปู่ของเราว่าถ้าหลวงพ่อต้องการจะซื้อก็ผมจะถวายครับแต่คําว่าถวายไม่ได้ถวายทั้ง แต่ว่าที่ที่ 3 ไร่เศษอันนี้ผมขอถวายไม่ เวลาการสัญญาณ